ในโลกนี้มีสองด้านให้เรามองเสมอมีมืดมีสว่างมีสุขมีทุกข์เหมือนมหาสมุทรไม่ได้เต็มไปด้วยคลื่นลมแรงตลอดเวลาบางครากราเรียบสวยงามหรือแม่ท้องฟ้าก็ไม่ได้มีเพียงพายุร้ายหรือมเมฆฝนบ่อยครั้งที่แสงแดดสาดส่องทอแสงเจิดจ้าชีวิตของคนเราก็เช่นกัน ไม่ใช่จะมีแต่อุปสรรคความผิดหวังอยู่ร่ำไห้ย้อมไศสักวันที่เราจะได้พบกับความสดใสปัญหาต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากเศรษฐกิจตกต่ำปัญหาครอบครัวจิตส่งผลให้เกิดความเครียดความท้อแท้ใจแท้ที่จริงแล้วในท่ามกลางภาวะวิกฤตเราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ ฉะนั้นจึงไม่ควรมิต ก, กังวลหรือท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตเพราะเมื่อมีปัญหาเราควรหาทางออกอย่างถูกวิธีมีสติและสมาธิตเตรียมใจให้พร้อมเพื่อต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาต่างๆโดยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสกันนะจ๊ะอิธรรมภาสิทธิรากฏในคาถาธรรมบทอบปมาทวักว่า ปิยโตชาญตีโสโกปิยโตชาญตีพยังปิยโตวิปปมุตตัสนติโสโกโกุโตพยังความโศ ก, ก ย, ย่อมเกิดจากของที่รักภัยย่อมเกิดจากของที่รักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้บดเรื่องจากของที่รักได้ภัยจกมีแต่ไหนเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์ เรามาคนเดียวเม่จะลาจากโลกนี้ไปเราก็ไปคนเดียวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคนโง่หรือคนฉลาดเป็นคนยากจนหรือคนมั่งมีจะมียศติดสูงส่งเพียงใดก็าตามไม่มีใครที่จะพ้นเงื้อมมือของพญามัจจุราชไปได้แม้ว่าเราจะรักใครมากขนาดไหน ไปช้ากเรวก็ต้องพัดพ ร, รากจากกันไปเราไม่ตายก่อนเขาเขาก็ตายก่อนเราผมมีปัญญาย่มรู้ว่ากายมีชีวิตอยู่ร่วมกันของสรรพสัตว์นั้นเป็นเพียงการเกี่ยวข้องกันชั่วคราวเท่านั้นจึงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นไม่ผูกพันด้วยความรักที่เจือด้วยกิเลสตัณหาเพราะว่ารักมากกัทุกมาก ไปมาเกิดขึ้นจากคนสัตว์สิ่งของอมิทรักเช่นไม่เห็นบุคคลอมิทรักก้มาตายจากไปจึงเอาแต่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจฝ่าคิดถึงอยากให้ากลับคืนมาจนไม่เป็นอันกินอันนอนทําให้เสียเวลาในการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์การงานก็ขังค้างเสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจปฏิบัติฝึกตอนมาดีแล้ว ถ้ารู้ว่าธรรมดาของสัตว์โลกย่อมมีการพัดพลากเป็นธรรมดามองเห็นชีวิตจากไปคละ ก, ก็เห็นผลไม้สุกที่เรื่องหล่นจากต้นจึงไม่มีความมาอะไรไมายึดติดในคนสัตว์สิ่งของเหล่านั้นเมือม่อมายึดมั่นก็ไม่เศร้าโศกมีแต่สแสวงหาประโยชนจากการสูญเสียหรือการพัดพลากได้แล้วนำสิ่งนั้นมาเป็นอุทารนสอนตน บางทีวันนี้คนสัตว์สิ่งของมิธีรักอาจจากเราไปแต่สักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นเช่นนั้นควาคิดได้อย่างนี้จึงทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมมุ่งทงความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้ถึงพร้อมไปจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะอันเป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ทั้งมวล เอติพระสัมมาสมัม พ, พุทธเจ้าในตราสพุทธพจน์เบื้องต้นดังที่หลวงพ่อได้ยกมากล่าวเอาไว้นั้นทรงปราลบกรดมผีคนหนึ่งเจ้าแต่ร้องห่มร้องไห้กับการจากไปของลูกชายทุกช้ากรดุมผีคนนี้จะไปที่ป่าช้าขร้องไห้อยู่ข้างหลุมศพของลูกชายนในจ๋าไม่อาจหักข้ามความโศกจากการพัดพา ร, รากได้ แม้หมูญาติจะเปลี่ยนกันมาให้สติหรือคอยปลอบโยนก็ไม่สามารถทำให้กุดุมีหายเศร้าโศกได้ผมมีความโศกเพราะความพัดระราเข้าครอบงํา้ำเสียแล้วธรรมะที่เคยได้ยินในฟังมาจากพระสัมมาสุตจ้ากลืมเลือนไปหมดไม่เด่นนำมาใช้เป็นธรรมะโอสดเลยตามปกติเขาจะไปฟังธรรมที่วัดในเวลายเย็นพอลูกชายตายจากกระเหินห่างไป รับรมศัตสดาทรงวิจารณาดูสัตว์โลกในเวลาใลายรุ่งทรงเห็นอุบนิยแห่งโสดาปฏิผลของกุดุมพีนั้นโดยมหากรุณาอันไม่มีประมาณทรงปราลบอยากให้เขาคลายจากความโศกและความรักที่ยังเจือดกิเลสอยู่หลังจากเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วแต่ทรงพาภิกษุผู้เป็นบัณฑชาสมณนะรวมหนึ่ง สเสด็จไปยังประตูเรือนของกุณดุมพีกุณดุมพีได้ฟังว่าพระบระมเส ด, สเด็จมาที่บ้านกุญแจความโศกถึงบุตรชั่วคราว ร, รีบออกไปต้อนรับกระาษพระราชนายสเสด็จเข้ามาประทับนั่งในบ้านแล้วเสด็จน้อมถวายน้ําดื่มเมื่อพร ะ, ระบรมศเสดาจประทับนั่งแล้วเจตรัสถามกุณดุมพีว่าอุบาศก วันนี้ใบนั่งท่านดูเศร้าหมองผิวพรรณมานั่งท่านดูซู่ผอมลงไปมากท่านประสบความทุกข์ในเรื่องอะไรหนอมุกตุมพีกลาบทูลหนึ่งทุกเพราะการพัดพรากจากบุตรที่ทรงทราบแล้วพระเองค์ยังตรัสสอนว่าอุบาสกเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บและความตายเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บและความตายไปได้เราจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นจะบอกความตายนี้ไม่ใช่มีอยู่เฉพาะในสถานที่แห่งเดียวและไม่ใช่มีเพาะแก่บุคคลผู้เดียวแต่เป็นธรรมดาว่าความเป็นไปแห่งพบยังไม่อยู่ตราบใด ความตายก็ย่อมมีแก่สรรพสัตว์ตรับนั้นแม้สังขารนั้นหนึ่งที่ชีวะเที่ยงย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นท่านพึงพิจารณาโดยบยยบ่แยบไขว่าธรรมชาติมีความตายเป็นธรรมดาธรรมชาติมีความแตกดับเป็นธรรมดาจึงไม่พึงเศร้าโศกเพราะว่าโบราณกับบนันทึกทั้งหลายในสมัยที่บุตรอมตยรักตายแล้ว จงพิจารณาว่าธรรมชาติมปความตายเป็นธรรมดาได้ตายเสียแล้วธรรมชาติมปความแตกดับเป็นธรรมดาแต่แตกดับเสียแล้วจะไม่ทาความเศร้าโศกให้เกิดขึ้นมีแต่เจริญมรณะสติอย่างเดียวกุดุมพีใครอยากรู้เรื่องที่พระงคตรัสค้างเอาไว้จึงทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระอคบุจเจริญ บรรดิพวกไหนได้ทําอย่างนั้นบ้างและได้ทําตอนไหนพระพหลงตรัสบอกแกข้าพระงองค์ในเทพบิดาเจ้าค่ะเมื่อพระพุทธองค์จะทรงประกาศด้วยความนั้นเจงทรงนําเรื่องประวัติการสร้างบารมีของพระพหลงในอดีตมาเล่าให้กุดุมพีฟังว่าเมื่อครั้งที่พระพหลงเสวยพระชจ้าเป็นชาวนาอยู่นั้นขณะที่กําลังไถนาอยู่บุตรชายได้ถูกงูเห่าขัดตาย แต่ท่านก็รม่ได้ร้องไห้เสียใจแม้พระินยังสงสัยได้เสด็จลงมาถามว่าทำไมท่านถึงไม่เศร้าโศกในการจากไปของลูกชายดูก่อุบาศกเราจะถาคเขาก็ได้บอกท้าวส ก, กะจอมเทพว่าบุรของเราเมื่อสรีระใช้การไม่ได้แต่ละสังขารร่างกายของตนไปดดงูลอกคราบเก่าออก มาบุตรของเราตายจากไปแล้วเขาถูกเผาอยู่ย่าไม่รู้ปริเทวนาการของพวกญาติฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกถึงบุตรเขามีคติเช่นใดก็ไปสู่คติเช่นนั้นเองการร้องไห้ไม่สามารถทำให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้วันแล้วก็ได้ตราต่อไปอีกว่า บัณฑิตในการก่อนมาลูกรักทากาละและอย่างนั้นก็ไม่ประพฤติอย่างท่านผู้ทอดทิ้งการงานและอดอาหารเที่ยวร้องไห้ยอยู่ร่ำไปไม่มามัมโศเศร้าเสียใจเพรา ะ, จะเจริญ ม, มรณาสติเป็นประจำจึงรับประทานอาหารตามปกติและทำการงานเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นท่านอย่าคิดถึงคนที่จากไปเลย ให้พิจารณาถึงตนเองว่าเตรียมพร้อมที่จะระเชิญกับมัจจุราชแล้วหรือยังแท้จริงแล้วความโศ ก, กดีภัยกดีจะเกิดก็เกิดเพราะอาศัยของที่รักนั่นเองทุกส혹โรคภัยทั้งหลายล้วนเกิดจากคนสัตว์สิ่งของอมธทีรักทั้งสิ้นเมื่อใจไม่ยึดติดความโศกก็ไปติดค้างอยู่ในใจ เมื่อผู้ทรงงเชื้เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นและตอนเหตุที่ทำให้กุณุมพีต้องประสบทุกข์แล้วกุณดุมพีก็เริ่มปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาดวงวัญญาเริ่มสว่างขึ้นรู้สึงถึงโทษถึงการยึดติดกับบุคคลนิ้ที่รักว่านอกจากไม่นำความสุขอะไรมาให้แล้วทุกธรมนัตนี้ ยังจะนำพาตนให้เศร้าหมองแล้วไปสู่ทุกข์ติอีกด้วยทำให้เกิดความเบือนหน่ายพลาจะความยึดมั่นถือมั่นในบุธชยัยเมื่อพระองค์ทรงแสดงวิธีการดับทุกข์แล้นทางสู่การดับทุกข์บาสกสามารถทำใจหยุดนิ่งพิจารณาเห็นทำตามไปด้วยและที่สุดก็ได้บรรุโสดาปติผล สำหรับเป็นพระอริยบุคคลผู้ิจัยเที่ยงตรงต่อพระนิพพานอย่างเดียวเรื่องในกลามวมา น, นี้คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในยุคพุทธกาลแล้วก็มีเรื่องในทํานองนี้เรื่อยมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็เกิดขึ้นทุกวันเพียงแต่ว่าใครจะได้กรลายาณมิตรคอยแนะนำให้รู้จักทมใจและเขจาใยความเป็นจริงของชีวิต ไ็จะได้หายเศร้าโศกในการพัดพรากจากไปของคนสัตว์สิ่งของอมิธิรักดังนั้นเมื่อเข้าใจกันดีแล้วก็ให้มันจะได้มรณานนสติและเตรียมตัวให้พร้อมเสมอทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภ า, ารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้กรอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย ข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีย์มณีอนันตจั ก, กรวานอมนวยสุดทุกสถานราบนิพานถึงสุด